ถึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาวัดมาทำบุญให้ทางมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรมรมก็เป็นการสร้างสมบัติที่แท้จริงให้แก่ชีวิตจิตใจ สมบัติที่แท้จริงต้องเป็นสมบัติภายในใจเช่นบุญกุศลเป็นต้นส่วนสมบัติอื่นๆที่อยู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นวัตถุเ ข, ข้าของเงินทองต่างๆหรือบุคคลต่างๆเช่นสามีภรรยาบุตรธิดา บริษัทบริวารทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงเนื่องจากตกอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงตกอยู่ในสภาพที่จะต้องเสื่อมและจะต้องบดไปแต่มีสมบัติภายในนี้เท่านั้นแหละที่จะไม่เสื่อมไม่หมดไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วสมบัติคือบุญกุศลสมบัติภายในที่เราได้มาสร้างกันไวน้นี้ก็จะอยู่ติดไปกับใจและจะเป็นเพื่อนของใจเป็นที่พึ่งของใจพอจะพาใจให้ไปสู่สุคติให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพร หรือเกิดเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปดังนั้นการที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทรัพย์ภายในนี้จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเป็นเรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราสร้างกันส่วนสมบัติภายนอกก็สร้างเท่าที่จำเป็น เพื่อร่างกายจะได้อยู่เย็นเป็นสุดเช่นสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆเพื่อมาดูแลรักษาร่างกายของเราและของคนที่เรารักให้ได้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุดแต่เราต้องรู้ว่าสมบัติภายนอกนี้จะต้องถูกเวลากลืนกินไปหมดเวลานี้ท่านบอกว่า เกลืนสรรพสิ่งทั้งหลายไปหมดกรุงศรีอยุธยาก็ถูกเวลาเกลืนไปหมดแล้วกรุงสุขโขทัยก็เช่นเดียวกันอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ศึกษาในประวัติศาสตร์ของโลกก็ถูกเวลากลืนกินไปหมดและชีวิตของพวกเราวัดนี้ศาลาหลังนี้ต่อไปก็จะถูกเวลา กลืนกินไปหมดเวลานี้มันมีทั้งคุณนั่นมีทั้งโทษโทษก็คือมันค่อยๆกลืนเราเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดมันก็จะกลืนเราไปหมดแต่คุณก็คือเรามีเวลาเราก็จะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอย่างวันนี้เรามีเวลาว่างเราไม่ต้องไปทำงานทาการเราฉลา เรารีบมาสร้างบุญสร้างกุศลกันดีกว่านอนหลับทับสิบนอนตื่นสาย9ก้าโมงสิบโมงยังไม่ตื่นตื่นขึ้นมาก็มีอาการงงเงียมีอาการไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเพราะไม่มีทรัพย์ภายในไว้หล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองแต่สําหรับผู้ที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเป็น มาอย่างสม่ำเสมอแล้วจะมีความกระปรี้กระเป่านวดถึงวันหยุดมีเวลาว่างที่จะได้มาวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อเพราะราทำให้จิตใจมีความอิ่มเอิมีความสุขมีความพอมีความภูมิใจและมีความรู้สึกที่ปลอดภัยจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่าง ที่เกิดจากความโลภก็ดีเกิดจากความโกรธก็ดีเกิดจากความหลงก็ดีเพราะบุญกุศลนี้จะคอยควบคุมคอยกดดันคอยกาจัดให้ความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไปความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไปมากน้อยเพียงไรความสุขความสบายใจก็มีมากขึ้นเพียงนั้น เพราะความโรคความโกรธ ค, ความหลงเปรียบเหมือนเชื้อโรคของจิตใจส่วนบุญกุศลนี้เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคของจิตใจถ้ามียารักษาโรคมากกว่าเชื้อโรคเชื้อโรคก็จะต้องพ่ายแพ้ไปถ้ามียารักษาโรคน้อยกว่าเชื้อโรคเชื้อโรคก็ยังอยู่และสร้างความทุกข์ ให้แก่ร่างกายฉันใดถ้าบุญกุศลเรายังมีน้อยอยู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะมีมากอยู่แต่ถ้าเรามีบุญกุศลมากขึ้นไปมากเพียงไรความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะมีน้อยลงไปตามลําดับจนไม่มีหลงเหลืออยู่เลยเช่น จิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจิตของท่านมีบุญกุศลอยู่เต็มที่เต็มรอยถึงสามารถควบคุมกําจัดเชื้อโรคของใจคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้เมื่อหมดแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลอีกต่อไปเหมือนกับการทำความสะอาด เมื่อทําความสะอาดแล้วเราก็ไม่ต้องทําต่อเสื้อผ้าที่เราซักจนสะอาดแล้วถ้าเราเก็บไว้ในตู้จะเก็บไว้กี่ปีก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาออกมาซักใหม่เพราะมันไม่สโปรปกมันไม่เปื้อนฉันใดจิตใจที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลจนเต็มร้อยแล้วจนเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลต่อไป การสร้างบุญสร้างกุศลหรือการทำบุญให้ทานหรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสำหรับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วไม่ได้สร้างเพื่อมานักษาใจทำไปเพื่อสงเคราะห์ผู้อืน่นเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากโซนตัดสรู้ถึงเป็นพระอรหันต์สัสมมาสามพุทธเจ้ามีพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว พระองค์ก็ยังทํางานต่อทําการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคาสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อสัตวโลกที่ยังมืดบอดไม่รู้ว่าสมบัติที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนก็สละเวลาถึง45ปีสั่งสอนสัตวโลกแต่พระองค์ไม่ได้อะไรจากการสั่งสอนนี่เลยเพราะเหมือนกับน้ําที่เต็มแก้วแล้ว แก้วที่เต็มด้วยน้ำแล้วเทน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้น้ำในแก้วนั้นมีมากกว่าเท่าที่มีอยู่ได้เพราะน้ำจะต้องไหลน้นออกมาอยู่ดีฉันใดพระทัยที่เปลี่ยนไปด้วยทรัพภายในคือบุญกุศลแล้วต่อให้ทําความดีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้เพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้มีมากขึ้นแต่อย่างใด แเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์โดยถ่ายเดียวพวกเราจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดสั่งสอนพระธรรมแล้วพวกเราก็ยังจะตกอยู่ในภาวะของคนตาบอดอยู่เราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอะไรเป็นโทษกับเรา ชีวิตของเราก็จะต้องเป็นไปอย่างที่เป็นมาคือมีแต่ความทุกข์สลับกับความสุขแต่ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วพวกเรามีโอกาสแล้วมีโอกาสที่จะหายจากโลกของจิตใจคือโลกของความทุกข์ความวุ่นวายใจ เพียงแต่เรานำเอาธรรมโอสถเอายาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเข้ามารักษาเท่านั้นเองเหมือนกับรับยาจากหมอเพื่อมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายถ้าเราไม่รับยามาหรือรับมาแล้วเราไม่นาเราไม่รับประทานโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายเช่นเดียวกับคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนพวกเราให้สร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆนี้ก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจถ้าเรานำมาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปตามลำดับจนหมดไปได้ในที่สุดอย่างที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาในเบื้องต้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเรา เป็นใจที่ยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเบียดเบียนอยู่แต่หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาที่จะน้อมนําเอามาปฏิบัติและปฏิบัติไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามากจนกลายเป็นนักปฏิบัติเต็มตัวในเบื้องต้นก็ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นไปก่อนอย่างพวกเราเราก็ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่น คือเราปฏิบัติในวันเสาร์วันอาทิตย์ในวันหยุดส่วนวันธรรมดาเราก็ไปทำมาหากินของเราต่อไปแต่เมื่อเราทำมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราเห็นคุณค่าของการสร้างบุญสร้างกุศลที่ทําให้จิตใจมีความล่มรื่นมีความสุขมีความสบายมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่ม ปลดเปลื้องปลดภาระการทำงานต่างๆให้น้อยลงถ้าลดได้จากห้าวันเหลือสี่วันก็จะลดลงไปแล้วก็ใช้วันที่ลดนั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อจะมาวัดก็ได้หรือจะอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะบุญกุศลนี้สร้างที่ใจใจอยู่ที่ไหนก็สร้างได้ที่นั่นเพียงแต่สถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่จะส่งเสริมสนับสนุน หรือจะขัดขวางให้การสร้างบุญสร้างกุศลนั้นเป็นไปด้วยความยากหรือง่ายเท่านั้นเองเหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บรักษาที่บ้านก็ได้ถ้ามีอยู่มียามีหมอหรือจะรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แต่โรงพยาบาล น, นั้นจะเป็นที่ที่รักษาได้สะดวกกว่าเพราะมียามีหมอมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วน ความที่จะรักษาโรคได้ทุกชนิดแต่รักษาที่บ้านก็อาจจะรักษาได้โรคบางโรคเช่นเวลาเราปวดท้องปวดศรีศรษะเราก็หายาแก้ปวดมารับประทานถ้าไม่หายเราก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะหมอเขาพร้อมกว่าเราเขามีความรู้มากกว่าเราเช่นเดียวกับการปฏิบัติทำบุญรักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิที่บ้านเราก็ทำได้แต่อาจจะทำไม่ได้ผลดีเท่ากับการมาวัดเพราะเมื่อเรามาวัดเราอยู่ในบรรยากาศที่สงบกว่ามีบุคคลที่ปฏิบัติคล้ายคลึกันสมมติวนะ่าเรารักษาศีลแปดที่บ้านแต่คนที่บ้านเขาไม่รักษากันมันก็จะลำบากเดี๋ยวเขาก็เปิดเพลงฟังเขาก็เปิดวิทยุดูเปิดโทรทัศน์ดู ตอนเย็นเขาก็ทำอาหารรับประทานกันเราถือศีลแปดเราก็ทำไม่ได้เราก็จะรู้สึกทุกทรมานใจเพราะมีกิเลสสมานมาคอยยั่วยวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราได้มาอยู่ที่วัดมาอยู่ที่ไม่มีใครรับประทานอาหารมือ้อเย็นไม่มีใครดูหนังดูโทรทัศน์ไม่มีใครเปิดเพลงฟังมีแต่ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมกันมันก็จะทำให้ช่วยในการปฏิบัติของเราเพราะเมื่อเราเห็นคนอื่นเขาทำเราก็จะมีกระจิตกระจยที่อยากจะทำเหมือนกับเขาหรือจะทำมากกับเขานี่แหละคือความแตกต่างระหว่างปฏิบัติที่บ้านหรือปฏิบัติที่วัดที่วัดมีบรรยากาศที่ดีกว่า แต่ก็ต้องเลือกวัดที่เป็นวัดปฏิบัติถ้าไปวัดที่ไม่เป็นวัดปฏิบัติก็จะมีเรื่องราวต่างๆในวัดเช่นมีกะมีงานต่างๆมีเครื่องขยายเสียงมีมหโหสพมีอะไรต่างๆมีคนเข้าออกขวบข่าอยู่ตลอดเวลาถ้าไปอย่างนั้นไปวัดอย่างนั้นก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่ ต้องไปวัดที่มีความสงบสงัดวิเวกมีต้นไม้มีความน่มเย็นแล้วก็มีความเงียบไม่มีคนพลุกพล่านคนที่เข้าออกก็จะเข้าอย่างเงียบไม่ส่งเสียงดังแล้วก็จะมุ่งไปสู่การศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่งสมาธิกันฟังเทศน์ฟังธรรมกันรักษาศีลกัน เวลาคุยกันก็คุยแต่เรื่องของธรรมะเรียกว่าสนทนาธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสนธนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เราเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นทำให้เรารู้จักวิธีการปฏิบัติมากขึ้น เพราะผู้ที่ปฏิบัติผ่านมาแล้วเขามีประสบการณ์เขาจะบอกเราได้ว่าทำอย่างไรทําให้จิตใจเราสงบทําอย่างไรให้เรารักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ทําอย่างไรทําให้เราได้เกิดปัญญาขึ้นมาทําอย่างไรทําให้เราได้อยู่อย่างโน้มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเพราะพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ หัวข้อของการสนทนาทําไว้อยู่สิบข้อด้วยกันคือหนึ่งท่านให้พูดคุยเรื่องเรื่องมักน้อยคืออย่าไปคุยเรื่องโลภมากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากแต่ให้พูดคุยเรื่องมักน้อยคือขอให้มีน้อยๆมีเท่าที่จําเป็นเสื้อผ้าก็ให้มีน้อยๆบ้านก็ให้มีหลังเล็กๆ พออยู่หลบแดดหลบฝนได้อาหารก็กินน้อยๆพอเลี้ยงร่างกายได้นี่คือเรื่องของการสนทนาเกี่ยวกับความมักน้อยเรื่องที่สองท่านให้เราคุยเรื่องสันดดษแปลว่าถ้ายินดีตามมีตามเกิดเรามีอะไรก็ขอให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เราได้อะไรมาก็ให้เรายินดีกับสิ่งที่เราได้รับก็อพอ อย่าไปมากๆเขาให้แค่นี้ก็ขอบอกขอบใจเขาดีอกดีใจแล้วอย่าไปโลภมากแล้วจิตใจจะไม่วุ่นวายจิตใจจะไม่ทุกข์ถ้าโลภมากแล้วต่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกพอสมมติวันนี้เขาให้เรามาสิบบาทพอพรุ่งนี้เขาให้เรามาหาบาทเราก็จะรู้สึกหนดหดใจแล้วเราต้องได้อย่างน้อยส0บบาท หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องได้มากกว่านั้นได้ยี่สิบบาทก็ยิ่งดีใจใหญ่แต่พอวันรุ่งขึ้นกลับมาได้สิบบาทอีกก็ไม่พอใจแล้วเพราะเมื่อวานนี้ได้ยี่สิบบาทมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเรามันจะสร้างความหิวความอยากไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูสมัยที่เราเป็นเด็กๆวันหนึ่งเราได้ใช้เงินได้เงินมาใช้สักกี่ตังกันได้ห้าบาทสิบบาทเราก็ดีออกดีใจแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ใช้วันละห้าห้าสิบหรือร้อยบาทจึงรู้สึกว่าไม่พอใช้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่สโดลเราไม่มากน้อยพอเรามีมากเราก็เสียนิสัยใช้มาก ท, าทันทีแทนที่จะคิดเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าที่เราไม่มีรายได้เราจะได้อาศัยเงินที่เราเก็บไว้นี้มาดูแลเราต่อไปเราควรใช้เงิน ในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็นนี้เราไม่ควรที่จะไปใช้มันเพราะมันจะทําให้เสียนิสัยทําให้ติดเป็นนิสัยและพอวันไหนไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยมาก็จะหงุดหงิดใจทุกทรมานใจหรือวันไหนไม่มีเงินที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยมาก็จะต้องหาวิธีไปลักทรัพย์ หาเงินมาโดยวิธีผิดศีลผิดธรรมก็จะทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลได้ดังนั้นเราต้องฝึกให้มีความมักน้อยมีความสันโดษอยู่ในใจแล้วเรายักอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุดอย่างพระภิกษุท่านก็สอนให้ยินดีกับสิ่งที่ได้รับมาอาหารบินบาทอย่างนี้ได้อะไรมาก็ให้พอใจกับอาหารที่ได้มา ญาติโยมนำมาถวายที่วัดได้อะไรก็พอใจกับสิ่งที่ได้อย่าไปโลภมากอย่าไปอยากมากอย่าไปสั่งให้เขาซื้อมาเพราะมันจะไม่มีวันสิ้นสุดสั่งวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องสั่งอีกสั่งอยู่เรื่อยๆพอสั่งบ่อยๆเข้าต่อไปญาติโยมก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายว่าเอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้ ไม่มีความมากน้อยสัมโดดเลยมีแต่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆไม่รู้บวดมาทำอะไรกันบวชมาสร้างกิเลสหรือมาสร้างบุญสร้างกุศลกันหนาะก็จะทำให้เขาเสือส่อมศรัทธาญาติโยมบางทีไม่ชอบไปวัดบางวัดเ็เพราะว่าไปแล้วเห็นตู้บริจาคเต็มไปหมดเห็นบาปเดินมาเลี่อยลายอยู่ตลอดเวลา เรื่อยรายเรื่องนั้นเรื่อยไายเรื่องนี้เรี่ยไายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พระขอสตานไม่ให้พระสนใจเรือกเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองเพื่อมาถึงแม้จะมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุติกก็ไม่ให้หาให้ปล่อยไปตามหน้าที่ของศรัท ธ, ธายาิโยมถ้าญาติโยมเขาเห็นว่าศาลามันผุพังเดี๋ยวเขาก็จะช่วยกัน หาเงินหาทองมาสร้างกันเองเราไม่ต้องไปขอเขาหน้าที่ของพระมีอยู่ที่การศึกษาและปฏิบัติธรรมเท่านั้นคือธุระของพระมีอยู่สองเรียกว่าคันถธุระแปลว่าศึกษาวิปัสสนาธุระเรียกแปลว่าการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าไม่เคยขอเงินใคร ไม่เคยสร้างวัดมีแต่ศรัท ธ, ธาญาติโยมที่มีศรัท ธ, ธาสร้างถวายพระสมัยในสมัยพระพุทธกาลนี้ท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างกับเรื่องเองินเรื่องทองท่านยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องมรรคผลนิพพานพระในสมัยพระพุทธกาลจึงเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมอย่างแท้จริง เป็นพระสุปฏิปันโนอย่างแท้จริงเป็นพระที่บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องของ<ม>ของพระและของญาติโยมพระไม่ควรขอของจากญาติโยมเป็นหน้าที่ของญาติโยมที่จะต้องสังเกตดูเอาถ้ามีศรัทธาอยากจะทำบุญให้ทาน<ม>ก็สังเกตดูว่าพระท่านขาดหรืออะไรเราก็หามา หรือถ้าเราไม่รู้เราก็ถามคนที่เขารู้ก็ได้คนที่อยู่ภายในวัดที่เขาอยู่เขามาเป็นประจำเขารู้ว่าวันนี้ขาดอะไรหรือไม่ขาดอะไรควรจะถวายอะไรไม่ควรถวายอะไรนี่หมายถึงว่าถ้าเรามีศรัทธาเราอยากจะทำทานอยากจะจันร์ลงหรืออยากจะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้จเจริญนุ่งเรืองต่อไป เราก็มาช่วยกันทาทานถวายเงินถวายทองให้แก่วัดเพื่อที่จะได้มามาดูแลรักษาทั้งพระเนรและทาวอลวัถตถุต่างๆเพราะเพราะวัถตถุต่างๆนั้นมันก็มีเวลาที่มันจะต้องเสือ่อมจะต้องเสียเดี๋ยวหลังคาก็รั่วเดี๋ยวปูนมันก็หลุดออกมาสีมันก็เก่า อย่างนี้เราก็ต้องมีการบูรณะซ่อมแซงไปเป็นระยะระยะแต่ไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของพระมาเรียรายมาบอกญาติโยมพระมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเมื่อรู้เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ญาติโยมเพื่อญาติโยมจะได้สามารถอาศัยคำสอนนี้เป็นที่พึ่งพา ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องให้อยู่ห่างกลจากความทุกข์ความวุว่นวายใจต่างๆให้มีแต่ความสุขและความเจริญและหลุดพ้นจากกองทุกหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปในที่สุดต้องอาศัยพร ะ, พระาศาสนาต้องอาศัยพระที่ศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุเห็นธรรมแล้วเป็นผู้สั่งสอนเพราะท่านเป็นเหมือนคนตาดีแล้ว แต่ถ้าไปอาศัยพระที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติได้มาได้บรรลุ ธ, ธรรมสั่งสอนท่านก็จะสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆกก็จะไม่สามารถพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่สามารถพาให้เราไปสู่ความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีไว้เป็นสมบัติได้เรา เราก็ต้องอาศัยพระเราถึงต้องม า, าวัดกันม า, าวัดอยู่เรื่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, เอยๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั่นเองนี่ก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เราควรสนทนากันเรื่องมักน้อยหนึ่งเรื่องสันโดษหนึ่งเรื่องที่สามก็คือให้ปรกความเพียนในการสร้างบุญสร้างกุศลให้คุยกันเรื่องไปทาบุญกันให้ชวนกันไปทาบุญกัน ให้ชวนนั่งสมาธิชวนกันไหว้พระสวดมนต์ชวยการชวนการรักษาศีลชวนกันฟังเทศฟังธรรมถ้าจะคุยให้คุยเรื่องราวเหล่านีเ้เรื่องที่สเรื่องที่4ี่ก็ให้พูดถึงสถานที่สงบสงัดวิเวกว่าที่ไหนดีที่ไหนสงบที่ไหนไปนั่งสมาธิแล้วจิตใจสงบดีที่ไหนมีอาจารย์มีครูคอยสั่งคอยสอนให้เรา มีปัญญาให้เราปฏิบัติไปอย่างก้าวหน้าก็หให้คุยถึงเรื่องสถานที่ที่วิเวกสงบสงัดแล้วต่อจากนั้นก็ให้คุยถึงเรื่องศีลหให้คุยว่าศีลศีลเป็นอย่างไรบ้างศีลห้าเป็นอย่างไรศีล8เป็นอย่างไรศีลสิเป็นอย่างไรศีลสองอยิเจ็ดเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ศีล310้กว่าข้อของพระภิกษุนีก็คุยได้ พอคุยแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องรักษาอะไรบ้างนั่นเองถ้าเราไม่คุยเรื่องศีลบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรักษาอะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะรู้เพียงศีลห้าเท่านั้นเองพอพูดถึงศีล8เราก็งงแล้วเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเช่นศีลแปนี้ศีลข้อสามก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนจากกาเมไปเป็นอพรามจริยา คำว่ากลาเมก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นสามีหรือภรรยาส่วนอพรรมจรรย์สำหรับผู้ถือถือศีลแปดก็หมายถึงว่าให้ถือศีลพรหมจรรย์ให้ละเว้นจากการหลับนอนกับทุกๆคนไม่ว่าแม้แต่สามีภรรยาก็จะไม่หลับนอนด้วยอย่แยกห้องกันนอนไม่ควรนอนห้องเดียวกันเดี๋ยวอารมณ์มันเกิดขึ้นมาแล้ว ศีลมันจะขาดต บ, บะตา บ, บะมันจะแตกถ้าอยากจะรักษาศีลแปดก็ต้องแยกห้องกันอยู่หรือทางที่ดีก็แยกบ้านกันอยู่ให้เขาอยู่บ้านเรามาอยู่วัดอย่างนี้เป็นตน้นถึงจะสามารถรักษาศีลเข้าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ข้อนี้ได้นี่คือเรื่องที่เราควรจะคุยกันถ้าเราไม่รู้เราก็ถามคนที่เขารู้คนที่เขารักษาได้ว่ารักษากันอย่างไร แล้วก็จะช่วยทำให้เราสามารถรักษาได้ต่อไปนอกจากเริ่มศีลแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องสมาธิว่านั่งสมาธิอย่างไรทำจิตใจให้สงบนั่งทีไรจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องรู้ว่าจิตยังอยากเมื่อจิตอยากเราจะเอาธรรมะที่ละเอียดมากรอมจิตก็ไม่ได้เหมือนไม้ที่เราเพิ่งตัดมาจากต้นเราจะเอากบมาใส่เลยไม่ได้เราต้องเอาขวานมาถา ก, ก่อน เอาเลื่อยมาเลื่อยก่อนเมื่อเลื่อยเสร็จแล้วเราถึงค่อยมามาใช้กบสายมนิกทีเมื่อใช้กบสายเสร็จแล้วก็ใช้กระดาษทรายมาขัดมันอีกทีเพราะมันมีความละเอียดต่างกันจิตของผู้ที่เริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆก็จะเป็นจิตยาจิตที่คิดฟุ้งสร้างอยู่ตลอดเวลาพอให้มานั่งพุทโธพุทโธก็นั่งไม่ได้ให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ทามไม่ได้ อย่างนี้ต้องมาฟังเทศฟังธรรมก่อนเปิดเทศธรรมะแล้วนั่งฟังไปตั้งใจฟังไปเรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยรู้สึกเย็นรู้สึกสบายหายฟุ้งซ่านตอนนั้นเราก็ลองพุทโธพุทโธต่อไปปิดเทพแล้วเราก็นั่งพุทโธพุทโธต่อไปถ้ายังหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอรหังสัมมาสวาขาโตสุปัทโน ส่วนไปส่วนมากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆจนจนจนรู้สึกว่าสบายแล้วอยากจะหยุดก็ค่อยมาพุทโธพุทโธหรือถ้าไม่อยากพุทโธก็ดูลมหายใจเข้าออกไปนี่คือการนั่งสมาธิมันมีขั้นมีตอนของมันเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนจิตของเราในขณะนี้มันอยากหรือมันละเอียดอย่างไรถ้ามันละเอียดมันอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะคิดอะไร เราก็อย่าไปดึงมันมาฟังเทศฟังธรรมหรือมาสวดมนต์หรือมาพุทโธก็ปล่อยให้มันนิ่งเฉยๆไปมีสตคิคอยเฝ้าดูมันไม่ให้มันไปคิดเรื่องอะไรเท่า น, นี้ก็พอนะนี่คือเรื่องของสมาธิที่เราควรจะคุยกันจากนั้นก็ให้คุยเรื่องปัญญาว่าจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเราจะรู้จะฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าได้อย่างไร พระพุทธเจ้าบอกว่าจากชะฉชะลาดก็ต้องพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาต้องพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะปลดวางร่างกายได้จะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกาย เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนี่คือเรื่องของปัญญาแล้วก็ให้พูดเรื่องวิมุตติการหลุดพ้นว่าหลุดพ้นอย่างไรเวลาหลุดพ้นแล้วจิตใจเป็นอย่างไรจิตใจเบาจิตใจสบายอย่างไรนี่คือเรื่องของวิมุตติแล้วเรื่องสุดท้ายก็เรื่องวิมุตติญ า, าณทัศนะหมายถึง่างที่รู้ว่าตอนได้หลุดพ้นแล้วว่าเป็นอย่างไร นี่คือเรื่องที่เราควรจะคุยกันเพราะคุยกันเรื่องเหล่านี้แล้วเราเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ได้คุยเรื่องแบบดินทากาเลคุยเรื่องดาราคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องคนนั้นคนนี้คุยเรื่องของชาวบ้านเขาอย่าไปเสียเวลาคุยเลยเสียน้ำลายเปล่าเสียน้าลายแล้วยังเสียเวลาด้วยคุยเรื่องที่เป็นสาระคุณเป็นประโยชน์ ที่จะทำให้เรามีทรัพย์ภายในแกเราจะดีกว่านี่คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเวลาที่เรามาวันวันนี้เราก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลบุญก็คือความสุขใจความอิ่มใจความพอใจกุศลก็คือความฉลาดความรู้ปัญญาดังนี้เรารู้อะไรมากขึ้นแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราควรจะคุยเรื่องอะไรกัน ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราควรจะคุยเรื่องเหล่านี้นี่แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างซัพ์ภายในที่จะเป็นที่พึ่งของเราที่จะเป็นผู้ที่คอยปกป้องเราให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ทั้งหลายจึงขอให้ท่านแนะนาในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไป